ธรรมะนะเราจะไปนึกว่ามพิลึกพิลั่นธรรมะจริงๆเราต้องรู้ก่อนที่เราจะมาเรียนมาฟังนะจะมาปฏิบัติทำทำไปเพื่ออะไรคนรุ่นเราเนี่ยนะไม่ใช่โง่ง ง, งายไม่ใช่เห็นใครก็าปฏิบัติก็อยากปฏิบัติกับเขาบ้างหวังว่าปฏิบัติไปเรื่อยเราจะดีๆยังไงก็ไม่รู้นะอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องหรอกสติปัญญาไม่กล้าแข็ง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 เด็เดนี้มันก็เปิดคอมพิวเตอร์ดูนะเล่นเลินเพลินไปวันอยากดูอะไรมือดูอยู่ในจออยากคุยกับใครเมื่อพิมพ์ไปพูดภาษาคนไม่เป็นแล้วพิมพ์ได้อย่างเดียวนะเด น, นี้คนมนุษยสัมพันธ์เร็วลงมากเลยนะพูดจากับคนอื่นไม่ค่อยเป็นแะอีกหน่อยจะจีบใครสักคนนะต้องถือตัวนี้ไปคนละตัวนะไปนั่งแล้วก็กดๆๆนะไม่มองหน้ากันด้วยดูแต่ในจอนี้เด็กนะ น, นี้มันมีรูปด้วย พูดไม่เป็นละนี่มันดิ้นดิ้นดิ้นนะเที่ยวหาความสุขได้ตั้งแต่เล็กๆของเรานะก็ดิ้นหาความสุขอย่างนี้แหละเห็นคนอื่นเขามีโทรศัพท์มือถืออย่างใหม่นะเขามี iPad iPhone i อะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเมื่อก่อนมีอะไร iPod ใช่ไหมไอพอทไอแพดไอโฟนอยากมีกวความบ้างแพงๆอยากมีนะมีแล้วมันก้ดีนะใช้ไม่ค่อยเป็นก็ไม่เป็นไรก้ดีนะ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 ไม่ได้ดูว่าเราเรียนได้แค่ไหนจะต้องดูก็ไม่ได้ดูสอบไม่ได้อะไรไม่ได้เสียใจเศร้าใจพยายามมากเลยนะไปติวเตออะไรเยอยะแยะเพื่อสนองความต้องการทั้งหมดเลยนะพวกเราก็ดิ้นรนตอบสนองความต้องการมาตลอดเห็นคนอื่นเขามีผัวมีเมีย ม, มีสามีพันยาเขาอยากมีกับเขาบ้างนะดิ้นรนหาหาดีๆไม่ได้ก็หาร้ายๆมา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 เอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์